ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้พระเจ้าได้มีโอกาสที่จะมาแบ่งปันพระวจนะให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่ข้าพมาทุกคนได้มีโอกาสที่จะมานมัสการพระองค์ร้องเพลงสรรเสริญออกพระนามของพระองค์ค่ะแต่พระเจ้าและในเวลานี้เองข้าพมาทุกคนจะได้ยินได้ฟังถึงพระวจนะของพระองค์ขอให้พระวจนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่จะนุ่นนำชีวิตของข้า ข้าพงศ์หลายทุกคนที่จะ เ, เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตต่อไปข้าแตพระเจ้าขอมอบเวลานี้ไว้กับองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนค่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะเทศนาในวันนี้นะคะก็คือดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณค่ะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ พระเจ้าที่คริสเตียนเราเชื่อระหว่างใจก็คือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวนะคะผู้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพค่ะซึ่งประกอบไปด้วยพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแต่ละพระภาคทรงแตกต่างกันนะคะแต่ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแท้ที่เท่าเทียมกันทรงผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักนะคะทั้งสามพระภาคนะคะทำพระราชกิจร่วมกัน แต่ละพระภาคจะมีพระราชกิจหลักของแต่ละของของพระองค์เองนะคะพระราชกิจหลักของพระบิดาคือการทรงสร้างคะและทำลงรักษาสิ่งทรงสร้างให้ดํารงอยู่คะในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ได้บอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนะคะอันนี้เราจะเห็นในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างนะคะพระราชกิจหลักของพระบุตร ก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะคือการได้มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์ในยอห์นบทที่3ข้อ17ได้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นค่ะส่วนพระราชกิจหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการสัแดงให้มนุษย์ได้รู้จักกับพระเจ้าคะและได้ช่วยเหลือผู้เชื่อ ให้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ในยอห์นบทที่14ข้อที่ 16-17 ได้ ก, กล่าวไว้ว่าพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านแก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญ ญ, ญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ถ้าทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน พรบัพติบันทึกว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาในวันเพนเทคอสเราทั้งหลายคงรู้ดีนะคะจากวันนั้นเป็นต้นมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทํางานในจิตใจของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักกับพระเจ้าและเมื่อผู้ใดหันหลังจากความบาปและมาเชื่อวางใจในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทับ อยู่ในผู้นั้นนะคะจะประทับอยู่ในชีวิตของผู้นั้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้มีคุณลักษณะที่ดีงามและตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์นะคะแต่น่าเสียดายนะคะที่คริสเตียนไม่น้อยมีชีวิตที่พ่ายแพ้ต่อความบาปและความอ่อนแอต่างๆทั้งความคิดคำพูดและการกระทำะคะพวกเขามีชีวิตที่ไม่แตกต่างไปก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้า ทั้งที่รู้ว่าอะไรดีแต่ก็ทําไม่ได้นะคะรู้ว่าอะไรไม่ดีแต่ก็ยังทําอยู่นะคะคริสเตียนในแคว้นกาลาเทียนะคะในอดีตก็มีปัญหานี้เช่นกันเมื่อเปาโลได้เขียนจดหมายไปหาพวกเขานะคะท่านจึงช่วยให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าหาผู้เชื่อปรารถนาที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกเขาจะพวกเขาจําเป็นจะต้องดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะคะ ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่างแท้จริงเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราปรารถนารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะต้องดําเนินชีวิตตามแบบพระวิญญาณนะคะข้อบัญพีที่ข้าพเจ้ายกมาในบ่ายวันนี้ที่ผู้นําได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเราจะเห็นอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกก็คือการดํ า, เ น, นนะะาดเนินชีวิตตามเนื้อหนังนะคะการดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังในกาลาเทียบทที่16 บทที่5ข้อที่1 6บหถึงสินะคะได้กล่าวว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันคะดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนารมจึงกระทําไม่ได้พระอภีตอนนี้นะคะชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่ทําให้ผู้เชื่อจํานวนมากไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ชีวิตจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่ควรจะเป็นนะคะก็คือการที่พวกเขาเลือกดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแทนที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะคะคำ ว, ว่าเนื้อหนังหมายถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบทำบาปนะคะแม้ว่ามนุษย์จะมีความตั้งใจความ ต, ตั้งใจที่ดีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการนับถือาศาสนานะคะาศาสนาในไทยเราก็มีาศาสนามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์อิสลามนะคะพรามหมณ์ฮินดูซิกนะคะลัทธิของจื๊อคะคงจะรู้จักใช่ไหมคะหรือว่าอื่นอื่นอีกมากมายนะคะนอกจากที่จะมีศาสนาให้เชื่อแล้วยังมีกฎหมายนะคะที่แยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดนะคะกฎหมายเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสังคมหรือว่าเกี่ยวกับประเทศชาติะคะ แต่ธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบทำบาปนะคะจะคอยชักจูงให้เราเลือกทำบาปอยู่เสมอนะคะดังที่เปาโลได้ยกตัวอย่างในข้อที่19ถึง21นะคะว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกัน การริษยากันการกโกรธกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นทานเกเรเกเรดังนั้นนะคะหากเรามีพฤติกรรมเหล่านี้ก็แสดงว่าเรากําลังดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังอยู่นะคะเรากําลังดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังอยู่อย่างแรกก็คือการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังใช่ไหมคะที่เราที่ ข้อที่หนึ่พูดไปนะคะอย่างที่2คือการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณค่ะการดำเนินการดำเนินชีวิตตามพระวิญ ญ, ญาณก็ได้ทียบทที่5้าข้อสินะคะพระคมัมภีร์ฉบับ1นึ่นะคะแปลไว้ว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังในที่นี้ดูเหมือนมีสองสิ่งนะคะที่เราจะต้องทําก็คือดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณและไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง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 ตัดสินใจดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะคะแล้วผลที่ตามมาก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเราให้สามารถเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบทำบาปได้นะคะเราต้องเลือกนะคะว่าเราจะอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือเราจะอยู่ฝ่ายวิญญาณนะคะเมื่อเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะคะพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์นะคะพระองค์จะช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปแล้วก็ความอ่อนแอต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะ เป็นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณคะดังที่อาจารย์ปารโลได้กล่าวไว้ในกาลาเทียข้อที่ 22-23 นะคะว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปรับเติมใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปลานีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนค ะ, ะเราทุกคนจำเป็นจะต้อง สำรวจชีวิตของตัวเราเองอยู่เสมอนะคะว่าเรามีลักษณะเหล่านี้นะคะคุณลักษณะเหล่านี้9้าอย่างนี้เรามีมากน้อยเพียงใดนะคะเรามีตามระยะเวลาที่เราเป็นคริสเตียนหรือเปล่าตอนนี้เราเป็นคริสเตียนมากี่ปีแล้วคะเราต้องถามตัวเองสิบปียี่สิบปีสามสิบปีหรือกี่ปีนะคะเรามีผลของพระวิญญาณตามระยะเวลาที่เรา เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่เราเป็นคริสเตียนหรือยิ่งนานวันยิ่งลดน้อยลงนะคะยิ่งนานวันการผลของพระวิญญาณในชีวิตของเรายิ่งลดน้อยลงเราต้องสำรวจตัวเราเองนะคะและที่สำคัญก็คือเรามีชีวิตที่สำแดงคุณลักษณะเหล่านี้ก็คือผลของพระวิญญาณนั่นเองนะคะอย่างแท้จริงหรือไม่เราได้แสดงสำแดงผลของพระวิญญาณออกมาหรือเปล่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทางาน อยู่ที่โรงเรียนมหาลัยหรือว่าอยู่พบกับสถานการณ์ใดนะคะเราได้สําแดงผลของพระวิญญาณหรือเปล่าหรือเราพยายามแสดงผลของพระวิญญาณเหล่านี้ให้กับบางคนหรือบางสถานการณ์เท่านั้นนะคะคนนี้น่ารักเราอยากจะสําแดงผลของพระวิญญาณให้กับคนนี้คนนี้ไม่น่ารักเลยเราไม่อยากจะแสำแดงผลของพระวิญญาณให้กับคนนี้เลยเราได้เลือกอย่างนี้หรือเปล่า หรือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะเจอกับใครเราได้สําแดงผลของพระวิ ญ, ญญาณให้กับคนเหล่านั้นสถานการณ์ที่เราเจอะคะแต่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจว่าผลของพระวิญ ญ, ญาณนะคะไม่ได้เป็นผลของเราแต่เป็นผลของพระวิญ ญ, ญาณนะคะไม่ได้เป็นผลของเราเป็นผลของพระวิญ ญ, ญาณดังนั้นนะคะคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนตลอดไป ก็ต่อเมื่อเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่ า, เ, าเจอสถานการณ์นี้ฉันไม่อยากจะสำแดงแต่ไปเจออีกสถานการณ์หนึง่งฉันอยากจะสำแดงมันไม่เป็นธรรมชาติของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีเราจะต้องเราจะต้องสำแดงออกทุกๆ ท, กที่ทุกๆเวลาที่เราเจอนะคะเพราะ หลวงพรอวิญญาณจะมั่นคงและยั่งยืนในชีวิตของเราและจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณได้อย่างไรนะคะเราสามารถทำด้วยได้โดยการมีสองรอนะคะก็คือหนึ่งรู้จักพระวิญญาณนะคะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็สองนะคะก็คือรับกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเนื่องจากว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระภาคหนึ่งของพระเจ้าการที่เราจะรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวจึงหมายถึงการรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะคะชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นแต่เพียงการยึดคําสอนที่ปรากฏในพันธสัญญาเท่านั้นแต่ว่าเป็นการที่เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าและเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราคะซึ่งหมายถึงการยอมให้พระเยซูคริสต์รับโทษบาปแทนเรายอมให้พระเยซูคริสต์และพระบิดาครอบครองชีวิตของเรา ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเรามองไม่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับที่เรามองไม่เห็นอากาศที่อยู่รอบตัวเราแต่เราสามารถที่จะสัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ <im> เหมือนกับที่เราสามารถ <im bit> สัมผัสลมที่พัดมาโดนตัวเรานะคะดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะทรงอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลา <im bit> <im bit> เหมือนกับอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะพระองค์ไม่เคยห่าง จากเราแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวนะคะแต่พระองค์จะทรงช่วยเหลือหนุนใจเตือนแล้วก็ทรงทํางานในชีวิตของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์นะคะทุกๆวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์เรารู้ว่าสิ่งนี้ควรจะทําสิ่งนี้ไม่ควรทําเรารู้ได้โดยการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเรานะคะข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่าง เรื่องของดาวิดนะคะในพระธรรมสองซามูเอลนะคะบทที่15เป็นตอนที่อับซารลมนะคะอับซารลมซึ่งเป็นลูกของดาวิดเองนะคะแต่เขาได้กระ บ, บทพ่อของเขาวางแผนนะคะวางแผนกระ บ, บทพ่อของตัวเองดาวิดเองนะคะต้องหลบหนีอยู่ในถิ่นทุรกันดาร น, นะคะและในขณะที่ดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยคันเออดาวิดเองรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกทุกข์ใจ วิตกกังวลใจเป็นอย่างมากและรู้สึกเสียใจด้วยที่ลูกของตัวเองกลับทําร้ายตัวของเขาเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดาวิด ท, ทำก็คือเขานึกถึงพระเจ้าค่ะเขานึกถึงพระเจ้าเห็นได้จากพระธรรมสดุดีบทที่63นะคะเราสามารถกลับไปอ่านได้สดุดีบทที่63ทั้งบทเลยนะคะเป็นตอนที่ดาวิดเขียนขึ้นขณะที่ท่านเนี่ยอยู่ในถิ่นธุรกันดาล ข้อที่ห น, นะคะในของสดุดีบทที่63ได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนหยที่ที่ไม่มีน้ำนะคะดาวิดเองเขานอนไม่หลับทั้งคืนนะคะแต่เขามีพระวจนะของพระเจ้าเขารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงอยู่กับเขาเขาใคร่ควรนะคะนมัส ก, การในตอนนั้นเองดาวิดเชื่อและวางใจเพราะว่าเขารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ด้วยกับเขาอย่างแน่นอนนะคะแม้ในยามที่เขาลำบากมากที่สุดนะคะเราจําเป็นจะต้องแน่ใจว่าเรารู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แท้อย่างแท้จริงนะคะและมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ทุกวันผ่านทางไหนบ้างผ่านทางการเฝ้าเดี่ยว ทุกวันนี้เราได้เฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าหรือเปล่าคะตื่นมาตอนเช้าสิ่งแรกที่เราทําคืออะไรคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ดูว่าวันนี้มีใครแชทมาหาเราหรือเปล่าดูเฟซบุ o กดูไอจแต่สิ่งแรกที่เราทำเนี่ยเราได้อธิษฐานกับพระเจ้าหรือเปล่าในแต่และเช้าที่เราตื่นขึ้นมานะคะเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานนะคะในตลอดทั้งวันอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าถ้าเราไม่มีเวลาตอนเช้า ตอนกลางคืนก่อนจะเข้านอนแล้วก็สามารถที่จะเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าได้อยู่ที่เรากับพระเจ้าไม่มีเวลาจริงๆขอให้อธิษฐานกับพระเจ้ามอบการงานทุกอย่างไว้กับพระเจ้านะคะและในตลอดทั้งวันนั้นหรือว่าในวันถัดไปเราจะได้รับกําลังที่มาจากพระเจ้านอกจากการเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานนะคะอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ก็คือการที่เรา อ่านพระวจนะของพระเจ้านั่นเองนะคะเราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าการเฝ้าเดี่ยวเออเฝ้าเดี่ยวก็คือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เหรอจริงๆคือมันก็ใช่นะคะแต่ว่ า, าอยากจะให้เรามีเวลาเป็นการส่วนตัวอ่านพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งอันนั้นคือเฝ้าเดี่ยวเรามีคู truthful, ่มือใช่ไหมคะจะมีเดี๋ยวนี้ก็จะมีมานานะคะมีห้องชั้นบนนะคะที่เป็นคู่มือของการเฝ้าเดี่ยวให้กับเราที่โบสถ์ก็มีนะคะสามารถที่จะรับได้ แต่นอกจากการเฝ้าเดี่ยวแล้วการอ่านพระวจนะของพระเจ้านั่นคือการที่พระเจ้าได้เตือนสอนเราเราคุยกับพระเจ้าแล้วเราอยากจะได้รับการสอนจากพระเจ้าเราก็ต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะและนอกจากนั้นเราต้องออนมัส ก, การสามัคคีธรรมเจอกับเพื่อน เ, ออเพื่อนออที่คิดจกักอธิษฐานด้วยการหนุนใจการพูดคุยซึ่งกันและกันและการเป็นพยาน เราออกไปเราได้มีโอกาสที่จะคุยได้พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้คนที่เราที่ทํางาน <c oughs> พเพื่อนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเราได้พูดคุยเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเพื่อนของเราหรือเปล่าหรือว่ามหาลัยที่ไหนก็ตามนะคะอยากจะให้เราที่จะเป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้าให้กับออผู้คนเหล่านั้นด้วยให้เขาที่จะได้เห็นพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของเราที่พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะ ในยอห์นบทที่15้าข้อที่4นะคะได้บอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะคะเราจะเกิดผลของพระวิญญาณ น, นะคะถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรา มีผลของพระวิญญาณและจะเกิดผลของผลของพระวิญญาณโดยธรรมชาติและอัตโนมัติฮะประการที่2นะคะประการแรกนอกจากว่าเราจะรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอย่างที่สองคือเราต้องรับกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะคะการรับกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงการที่เราหยุดพึ่งตัวเองนะคะหยุดพึ่งตัวเองแล้วยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคริสเตียนไม่น้อยนะคะเข้าใจผิดว่า พระเจ้าจะช่วยคนที่พึ่งกำลังของตัวเองก่อนดังนั้นพวกเขาจึงพึ่งพึ่งกำลังของตัวเองที่จะดำเนินชีวิตแต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าเลยอีกทั้งยังรู้สึกว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยน่าเบื่อและก็เป็นภาระอย่างมากเพราะเขาพึ่งกำลังของตัวเอง เขาไม่ได้พึ่งกําลังจากพระเจ้านะคะแต่ในความเป็นจริงนะคะคริสเตียนหรือว่าเราทุกคนนะคะคือผู้ที่ยอมให้พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเป็นที่หนึ่งในชีวิตะคะและเป็นผู้ที่นำนำน ำ, นำชีวิตของเราอย่างแท้จริงะคะจะไม่ถือว่าตัวเองเป็นพระเจ้าของตัวเองอีกต่อไปแต่จะยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเรานะคะเพราะพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมา และพระเยซูคริสต์ก็ทรงไถ่เราให้พ้นจากความบาปนะคะดังนั้นเราจะไม่คิดว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแต่จะพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะและจะไม่เอาตัวเองเป็นที่หนึ่งในชีวิตนะคะแต่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตซึ่งหมายความว่าเป้าหมายสูงสุดในการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะแต่อยู่เพื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานชีวิตให้กับเราทั้งหลายนะคะ ไม่ว่าพระองค์จะอยู่ไม่ว่าพระองค์จะให้เราอยู่ที่ไหนทำอะไรนะคะมีอาชีพ อ, อะไรเราก็จะทำสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้านะจะไม่ให้ตัวเองเป็นผู้นำในชีวิตของตัวเองคน ะ, ะแต่จะยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเราเท่านั้นคือจะไม่วางแผนชีวิตของตัวเองตามใจชอบแต่จะแสวงหาพระเจ้าว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเราและเราจะดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้านะคะ ข้าพเจ้าอยากจะเป็นพยานชีวิตของตัวเองนะคะข้าพเจ้าเป็นคนเชียงรายนะคะเรียนมัธยมจบมัธยมที่เชียงรายแล้วก็มาเรียนต่อมหาลัยที่เชียงใหม่นะคะก็คือพชิธรรมแมกกิวารีแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าตลอดระยะเวลาในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่เรียนจนถึงตอนนี้พระเจ้ามีแผนการในชีวิตของข้าพเจ้าอย่างแท้จริงนะคะคือพ่อกับแม่ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตตั้งแต่ข้าพเจ้ายังอายุห้าขวบนะคะแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสที่จะอยู่กับที่โบสอยู่กับคริสตจากตลอดนะคะไม่ได้ไม่ได้ออกไปไม่ได้เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าเสพหรือเกเรที่ไหนนะคะก็อยู่กับโบสตลอดนะคะแล้วคนที่ที่โบสนะคะก็ได้เห็นว่าข้าพเจ้าได้ดูแลน้องๆเล่าวีสอนเล่า ว, วีนําเพลงนําอะไรต่างๆนะคะก็เห็นว่าข้าพเจ้าเหมาะกับการที่จะไปเรียนภคิด ธ, ธรรมก็ได้มีโอกาส มาคุยกับพ่อเจ้าว่าไปเรียนพัคทีรทำไมเกีวลีไหมตอนนั้นเองเข้าพ่อเจ้าก็ไม่รู้จักนะคะว่าพัคิธรรำไมเกีวลีเป็นยังไงเพราะว่าเรายังสนุกกับการเรียนมัธยมนะคะตอนนั้นเรียนสายศิลป์ฝรั่งเศสนะคะพอเรียนจบปุ๊บ ค, คือไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่ามาเรียนพัคิธรรมนะคะ <S <S ตอนที่ตัดสินใจตอนม .6 นะคะก็ยังลังเลอยู่นะคะเพราะว่าชอบที่จะเป็นคนออชอบพูดนะคะอยากจะไปเรียนการแสดงอยากจะไปเรียนเป็นดีเจอย่างนี้นะคะแต่ว่า พระเจ้าทรงเรียกนะคะก็ให้คนอื่นมาคุยพระเจ้าเรียกผ่านทางคนอื่นนะคะก็คือโดยการที่มีสมาชิกที่โบสถ์นะคะเป็นผู้ปกครองะคะเขาได้มาคุยกับข้าพเจ้าแล้วก็ให้ข้าพเจ้ามาเรียนที่พระคิธรรมนะคะหนุนใจเนาะหลังจากนั้นก็จบม .6 นะคะก็ตัดสินใจว่าหลังจากที่คุยปุ๊บเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้ามาตลอดถ้าเป็นน้ำพระทยัยพระเจ้าขอให้พระเจ้าที่จะ มีทางออกแล้วก็เปิดทางให้กับพระเจ้าก็สุดท้ายได้มีโอกาสมาเรียนที่พระคิธรรมนะคะในระหว่างที่เรียนพระคิธรรมต้องขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าคือพระเจ้ามีแผนการที่ดีจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะเรียนก็คือการแสดงใช่ไหยคะแล้วก็การที่ได้พูดได้คุยอะไรต่างๆข้าพเจ้าได้ทำทุกอย่างเพราะว่าที่พระคิธรรมได้เปิดวงลุกทุ่งนะคะก็คือการที่ออกไปทัวร์ ออกไปทัวร์วงลูกทุ่งคือมีการร้องเพลงเป็นเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะโดยที่มีการแสดงอยู่ในนั้นด้วยเหมือนละครเพลงอะคะ่ะข้าพเจ้าก็เป็นนางเอกนะคะเป็นนางเอกในเรื่องนะคะก็ได้มีโอกาสที่จะแสดงแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ตัวเองรักพร้อมกับการที่รับใช้พระเจ้าไปด้วยต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างมากๆเลยนะคะพระเจ้ามีแผนการและหลังจากที่ข้าพเจ้าเรียน ในตอนนั้นมสองเอ้ยปีสองนะคะปีสองได้มีโอกาสที่จะมาะฝึกงานที่คิดจักวัฒนานะคะครั้งนั้นเป็นการฝึกงานซัมเมอร์ครั้งแรกนะคะได้มาฝึกที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะโอ้โหมาเจอบ ท, บทใหญ่นะคะต้องโอโ้ตอนนั้นรู้สึกรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าทําไมให้การใหญ่กับลูกมากเลยนะะก็ได้คุยกับพระเจ้าตอนนั้นก็อธิานกับพระเจ้าตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานที่นี่สองเดือนนะคะก็คิดว่าโอ้โห เงามากนะคะตอนนั้นเหงาเล่าคิดว่าจะไม่มาแล้วตอนนั้นคิดว่าจะจะไม่กลับมาแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกเงาเพราะว่าเป็นบทใหญ่แล้วแบบอยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าพระเจ้ามีแผนการเพราะว่าหลังจากที่ข้าพเจ้ากลับไปแล้วคือก่อนจะกลับนะคะอาจารย์ศึกษาก็ได้มีโอกาสที่จะพูดพูดว่าพูดคุยนะคะว่าหลังจากจบแล้วเนี่ยตอนนั้นอยู่ปีสองก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าอยู่ปีสองอยู่ก็บอกว่าถ้าจบแล้วมารับใช้พระเจ้าที่คิดจักวัฒนามไหมนะคะข้าพเจ้าก็ หนูจะเก็บไ ป, ไปเป็นหนูจะเก็บไว้ในคําอธิฐานนะคะก็บอกกับอาจารย์แบบนี้นะคะพอกลับไปข้าพเจ้าก็อธิฐานกับพระเจ้าตลอดนะคะอพอไปถึงที่ที่เชียงใหมะคะ่ค่ะก็ได้มีโอกาสที่จะฝึกงานเสราร์อาทิตย์พอฝึกงานเสราร์อาทิตย์เนี่ยก็ได้ไปโบสถที่เป็นบทในเมืองอ่ะคะ่ะจะมีบสชนบทแล้วก็บทในเมืองใช่ไหะข้าพเจ้าก็ได้ไปแต่บทที่อยู่ในเมืองตลอดเหมือนพระเจ้าวางวางแผนการไว้นะคะ จนในที่สุดคือกลับไปแล้วรู้สึกว่าคิดถึงที่นี่มากนะคะรู้สึกคิดถึงแล้วก็เอออยากอยากจะมาอยากจะมารับใช้พระเจ้าที่นี่ตอนนั้นคืออยู่ปี3นะคะก็ได้มีโอกาสที่จะมาฝึกงานที่นี่อีกนะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้มาฝึกงานแล้วก็ได้มาอีกหลังจากนั้นนะคะปี2มาฝึกงานแล้วปี3ก็มาฝึกงานอีกจนปี4ก็มาฝึกงานก็อินเทอร์นที่นี่แล้วก็ อาจารย์ที่พัคยิทาก็บอกว่าเนี่ยคอนเทนต์เธอตัดสินใจได้แล้วนะว่าเธอจะทํางานที่ไหนเพราะว่าถ้าเธอทํางานที่ไหนเธอต้องไปอินเทอร์ที่นั่นนะคะก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจนะคะว่าก็โทรคุยกับอาจารย์ศึกษาก็ตัดสินใจที่จะตัดสินใจแล้วว่าจะมาอยู่ที่นี่นะคะก็มาอินเทอร์สามเดือนแล้วก็ จนในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสที่จะมาทํางานรับใช้พระเจ้าที่นี่ก็ตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าได้วางแผนให้กับข้าพเจ้าทุกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้นั่นคือแผนการของพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะเพราะว่าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตแล้วพระเจ้าจะมีแผนการทุกอย่างและชีวิตของข้าพเจ้าต่อจากนี้นะคะข้าพเจ้าจะมอบชีวิตที่เหลือรับใช้พระเจ้านะคะต่อจากนี้ไปชีวิตที่เหลือก็จะขอมอบ ให้กับพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปตลอดชีวิตนะคะพระเจ้ามีพระประสงค์นะคะให้กับผู้เชื่อทุกคนนอกจากข้าพเจ้าแล้วมีมีพระประสงค์สําหรับทุกๆคนนะคะที่พระองค์ทร ง, ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะแต่บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถจะเอาชนะความบาปแล้วก็ความอ่อนแอของขอ ง, ของตัวเราได้นะคะข้าพเจ้าเองหลายๆครั้งในตลอดระยะเวลาที่ ทํางานรับใช้หรือว่าเรียนก็ตามนะคะข้าเจ้าก็มีความบาปหลา ย, ลายอย่างที่ซ่อนอยู่นะคะทั้งคําพูดการกระทําอะไรต่างๆนะคะแต่พระเจ้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้ถ้าเรายอมมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้านะคะแล้วก็ตลอดอตลอดประวัติศาสตร์คริสต์จักรนะคะพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อมากมายนะคะอย่างอัศาจรรย์ผ่านทางพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ พราข้าพเจ้าเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับข้าพเจ้านะคะและในวันนี้พระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกๆคนได้นะคะและทรงใช้เราเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทํางานแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่มหาลัยหรืออยู่ที่โบสถ์หรืออยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะสําเดงผลของพระวิญญาณให้กับคนที่อยู่ ท, ที่ที่เราอยู่ได้นะคะ แล้วก็แน่นอนว่าชีวิตของเรานะคะไม่หยุดเพียงเท่านี้พระเจ้าไม่ต้องการให้เรารู้จักกับพระเจ้าและรับกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นแต่พระองค์ต้องการให้เรานําสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแสดงออกมานะคะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะคะให้เราที่จะสําเดงผลของพระวิญญาณที่อยู่ในตัวของเราที่พระเจ้าใส่ให้กับเราสําเดงผลของพระวิญญาณออกมานะคะเนาะเหมือนกับ เพลงนี้นะคะก่อนที่ข้าพเจ้าจะจบการเทศนาข้าพเจ้ามีเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่จะให้พี่น้องได้รับฟังด้วยกันนะคะชื่อเพลงว่าจะสำแดงผลของพระวิญญาณนะคะซึ่งแต่งโดยอาจารย์สันติภาพวิริโยไทยนะคะเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีคริสจักรนะคะที่วิทยาลัยพัทลรรำแมคกิวารีนะคะได้บรรยายภาพของเพลงนี้นะคะของผู้ที่ดาเนินชีวิตตามพระวิญญาณไว้ อย่างน่าประทับใจนะคะในระหว่างที่เราฟังนะคะเดี๋ยวพระเจ้าจะมีเนื้อขึ้นข้างบนด้วยนะคะถ้าใครที่ร้องเป็นนะคะก็สามารถที่จะร้องตามได้เพราะว่าทํานองอะไรก็ง่ายๆนะคะในระหว่างที่เราฟังแล้วก็ร้องเพลงนี้นะคะให้เราที่จะคล้ยคลวนไปด้วยนะคะเพราะว่าในเนื้อเพลงเนี่ยเราดูเราลองดูนะคะว่าในเนื้อเพลงนี้เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเราได้สำแดงผลของพระวิ ญ, ญญาณออกมาหรือเปล่านะคะ ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรง เ, เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์ที่ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจของข้าพง์ทั้งหลายสามารถที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำขอให้ชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายได้สำแดงผลของพระวิญญาณออกมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำอะไรให้ชีวิตของข้าไว้ทุกคนเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าและให้ชีวิตของข้าไว้ทุกคนที่จะพึ่งพากําลังที่มาจากพระองค์มากกว่าที่จะพึ่งพาชีวิตของตัวเองและให้ชีวิตของข้าไว้ทุกคนเป็นชีวิตที่ดําเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอรับการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอขอบ พ, พระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน